ขอโอกาสครับอาจารย์เรนพรใครไม่เคยฟังหลวงพ่อบ้างมีไหมมีนะเคยฟังซีดีไหมหรือไม่เคยเล ย, ไ ม, เ ย, เลยไม่เคยเลยจะฟังยากนิดนึงแต่ยากก็ควรจะฟังวันนี้เป็นโอกาสดีดมาพบกันนาน หงพ่อจะได้มาเที่ยวที่นี่ครั้งหนึ่งนะแต่นี่ปกติคนมันน้อยส่วนมาเวลารลวงพ่อไปเที่ยวคนหลายร้อยหลา ย, ลา ย, ลายพันททีแต่น้อยๆก็ามานะใช่ไหมมาสุดสำคัญก็คือจำนวนน้อยเราขอให้คุณภาพเยอะก็แล้วกันปนะริมาณไม่มากก็ไม่สำคัญเท่าไหร่ การที่เราจะศึกษาธรรมะนะไม่ใช่เรื่องเล่นๆธรรมะเป็นของสูงของสำคัญในชีวิตของคนเราถ้าเราเข้าใจธรรมะนะมีธรรมะเข้ามาถึงใจของเราแล้วเราจะไม่คลอนแคลนกับพระพุทธศาสนาอีกต่อไปเราจะรักพระพุทธเจ้า เรารู้ว่าพระพุทธเจ้ามีจริงๆพระธรรมคำสอนของท่านเนี่ยทำให้เราพ้นทุกข์ได้จริงๆสามารถเปลี่ยนจิตใจของเราซึ่งเป็นคนไม่ค่อยดีให้สะอาดหมดจดมากขึ้นมากขึ้นมีความสุขไกลกิเลสออกไปได้ได่อยๆถึงจุดหนึ่งจิตไกลกิเลสจะพลากออกจากกันไม่เข้ามาหากันอีกต่อไป หลักทำคำสอนซึ่งดีขนาดนี้วิเศษขนาดนี้หาที่อื่นไม่ได้นอกจากในคำสอนของพระพุทธเจ้าในพวกเราชาวพุทธบางทีเราก็นับถือศาสนพนะาน พ, พุทธตามบรรพบุรุษบางนับถือไปอย่างนั้นไม่ได้รู้เลยว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรน่าสงสารมากมากนะคนจำนวนมากไม่สนใจ ทิ้งของดีของวิเศษไปหาของธรรมดาธรรมดาในโลกเราควรจต้องมาตั้งออกตั้งใจเรียนว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนอะไรบ้างสอนไปเพื่ออะไรธรรมะของท่านไม่ใช่ธรรมะฝังเล่นแล้วก็ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่แค่เรื่องการทำทานการรักษาศีลการนั่งสมาธิ การทำทานการรักษาศีลการนั่งสมาธิมีมาก่อนพระพุทธเจ้าถึงไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้คนก็รู้จักทำทานคนก็รู้จัก ร, รักษาศีลคนก็รู้จักนั่งสมาธิกันอยู่แล้วงั้นถ้าเรารู้จักพระพุทธศาสนาแค่การทำทานรักษาศีล น, นั่งสมาธิก็คื อ, อยังไม่ได้รู้จักพระพุทธศาสนา สิ่งที่ทำให้พระพุทธศาสนาแตกต่างกับคำสอนของคนอื่นๆท่านอื่นๆคือการเจริญปัญญาพระพุทธเจ้าสอนบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาท่านไม่ได้บอกว่าบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยการทำทานด้วยการรักษาศีลด้วยการนั่งสมาธิแต่ปัญญาลอยๆนะั้นมันไม่เกิดหรอกมันก็ทิ้งการทาทานรักษาศีล น, นั่งสมาธิเป็นการปรับพื้นฐาน ทางจิตใจซะก่อนพระพรุทธเจ้าก็ไม่ได้ปฏิเสธการทำทานรากาักษาศีลการนั่งสมาธิท่านเห็นว่ามันก็มีประโยชน์เหมือนกันในการปรับพื้นฐานจิตใจของเราให้พร้อมสำหรับการเจริญปัญญาแต่ถ้าไปหยุดอยู่แค่ทำทานรากาักษาศีลนั่งสมาธิไม่ขึ้นมาเจริญปัญญาก็ถือว่าเสียโอกาสชีวิตเราก็จะจมอยู่ในความทุกข์เรื่อยไป ทำทานแล้วก็มีผลจากการทำทานก็มีเป็นความสุขคนให้ก็มีความสุขคนอยากได้ของคนอื่นไม่มีความสุขคนรู้จักทำทานก็มีความสุขความสุขอยู่ชั่วคราวคนรักษาศีลก็มีความสุขแต่ความสุขมันก็อยู่ชั่วคราวคนนั่งสมาธิมันก็มีความสุขเหมือนกันแต่ความสุขก็ยังชั่วคราวอีกพระรพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เรา หวังไปพึ่งสิ่งซึ่งมันไม่แน่นอนสิ่งซึ่งอยาแปรปรวนอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่จะช่วยให้เราเข้าถึงความพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงนะคือมาหัดเรียนรู้ความจริงของชีวิตหรือการเจริญปัญญา น, นั่นเองเมื่อก่อนไม่ค่อยมีใครพูดกันส่วนใหญ่ไปไหนๆกมีแต่เรืองนั่งสมาธิ นั่งให้เป็นนั่งให้ตายไมได้แค่สงบแล้วก็ฟุ้งซ่านสงบแล้วก็ฟุ้งซ่านเป็นอยู่แค่นั้นลนะุงพ่อก็นั่งสมาธิ2ี่สองปีนั่งอยู่นั้นได้แต่ของเล่นของจริงๆไม่ได้ได้แต่ของเล่นเล่นโน้นเล่นนี่ไปได้มาเจอครูบาอาจารย์หลวงปูด่ดูลนท่านสอนให้ดูจิตดูใจตัวเองเพื่อเจริญปัญญา พอาเจริญปัญญาแล้วถึงได้เข้าใจว่าถ้าไม่ได้เจริญปัญญาเราได้ประโยชน์จากพระพุทธศาสนาน้อยเหลือเกินการทําทานนั้นทําไปเพื่อลดละความเห็นแก่ตัวฝึกลดความเห็นแก่ตัวการรักษาศีลนั้นเป็นการฝึกความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางกายทางวาจากายวาจาก็เรียบร้อยการฝึกสมาธินั้นเป็นฝึก ความเรียบร้อยทางจิตใจทําให้จิตใจสงบเรียบร้อยพอ ก, กายวาจารเราสงบเรียบร้อยนะโอกาสที่จะฝึกสมาธิให้จิตใจสงบเรียบร้อยมันก็มากขึ้นถ้าจิตใจถ้าถ้าเราไม่ควบคุมกายวาจาให้ดีไม่รักษาศีลโอกาสจะมาฝึกสมาธิให้จิตสงบเรียบร้อยมันก็ทํายากกายวาจาอย่างไม่เรียบร้อยเนยนั้นเรารักษาศีลเพื่อให้กายวาจานี้เรียบร้อย จะกายวาจาเรียบร้อยแล้วก็มาฝึกสมาธิคือมาฝึกให้จิตใจมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยจิตใจที่ไม่มีระเบียบมันยุ่งเหยิงซับซ้อนสับสนไม่สามารถเรียนรู้ความจริงของชีวิตได้วิธีที่จะมาฝึกจิตให้สงบเรียบร้อยก็ไม่ยากอะไรน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์เดียวที่เป็นกุศลอารมณ์ที่ดีถ้าน้อมจิตเข้าไปอยู่ในอารมณ์ที่ดีนะอย่างต่อเนื่อง เรื่อยๆบ่อยๆจิตไม่หนีไปหาอารมณ์อื่นการที่จิตของเราฟุ้งซ่านวิ่งไปทางโน้นทีวิ่งไปทางนี้ทีทั้ทงวันเชินไม่สามารถคอนเซนเทรตที่จะมาเรียนรู้กายเรียนรู้ใจได้อาาบางคนทํางานบางคนทํางานไม่ได้ดีจิตฟุ้งซ่านถามว่าทําไมจิตฟุ้งซ่านจิตฟุ้งซ่านเพราะจิตนั้นเที่ยวหาความสุขนั่นเองมันเที่ยววิ่งไปดูมันวิ่งไปฟังมันวิ่งไปคิด รุ่นแล้วแต่ต้องการได้รับความสุขแต่ว่ามันไม่มีความสุขจริงอย่างมันวิ่งเราวิ่งไปดูหนังนะหวังว่าจะมีความสุขดูรับข้องั้นงันะยังไม่สุขพอไปหาของกินอีกกินแล้วก็งั้นงั้นนะยังไม่สุขพอต้องอย่างอื่นมีความอยากใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลาเลยที่จริงวิ่งหาความสุขเท่านั้นเองแต่อารมณ์ในโลกนะมันเป็นของชั่วคราวไปหมดถึงมีความสุขก็อยู่ชั่วคราวแว บ, บๆก็หายไปอีกแล้ว กันไม่สามารถทำให้จิตใจเต็มอิ่มได้เราก็หาความสุขมาล่อมันเฉลยมันหลอกล่อจิตคนไหนถนัดพุดโทโธนะพุโทโธแล้วมีความสุขวก็พุโทโธไปเอาอารมณ์มันเดียวมาล่อไม่ต้องเอาหลายอย่างเอาลมหลายอย่างมาล่อนี่จิต่าฟุ้งซ่านเราต้องการให้จิตมาอยู่ในอารมณ์มันเดียวคนไหนถนัดรู้ลมหายใจก็มารู้ลมหายใจไป หรือจะเอาพุโทโธกับหายใจไปอยู่ด้วยกันก็ยังพอไหวหายใจเข้าพุทหายใจออกโทอะไรลแล้วน้อมจิตไปอยู่กับลมหายใจถ้าจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันจิตเหลือไปรู้ทันอย่างพุโทโธพูโทโธจิตหนีไปคิดรู้ทันหายใจไปจิตหนีไปคิดรู้ทันรู้ทันได้จิตจะค่อยๆเชื่องถ้ามันพุโทโธอย่างสบายใจนะมันมีความสุขที่ได้พุดโธมันจะไม่วิ่งไปหาอารมณ์ ถ้าจิตมีความสุขที่ได้รู้ลมหายใจจิตก็ไม่วิ่งไปหาอารมณ์อื่นเพราะมันวิ่งไปวิ่งมานะเพราะมันเที่ยวหาความสุขเท่านั้นไม่ได้มีอะไรหรอกงั้นเรามาดูตัวเราเองแต่ละคนไม่ต้องเรียนแบบกันเราต้องมาดูตัวเราเองว่าถ้าเราน้อมจิตไปอยู่กับอารมณ์ชนิดไหนแล้วเรามีความสุขนะเราก็น้อมจิตไปหาอารมณ์ชนิดนั้นบ่อย คนไหนอยู่กับพุโทโธมีความสุขก็พุโทโธบ่อยๆคนไหนรู้ลมหายใจแล้วมีความสุขกนะ็รู้ลมหายใจบ่อยๆคนไหนดูท้องฟองยุบแล้วมีความสุขก็ดูท้องฟองยุบไปนะคนไหนจะขยับมืออย่างหลงพ่ะเทียนแล้วมีความสุขก็ขยับไปอะไรก็ได้กรรมฐานไม่มีอะไรดีกว่าอะไรหรอกเหมือนๆกันแหละแต่อย่างถ้าไปเล่นไท่แล้วมีความสุขนะใช้ไม่ได้เพราะเป็นอารมณ์ที่ยั่วกิเลสไม่ทําให้เกิดกิเลสตามามฟุ้งซ่านมากกว่าเก่า นันหาอารมณ์ที่มันไม่ยั่วกิเลสแล้วใจในี้ก็อยู่ในอารมณ์อันเดียวมีความสุขก็สงบเพราะจิตใจสงบเนี่ยจิตใจได้รับการจัดระเบียบจัดระเบียบอย่างคนเด็กจะเรียนหนังสือเนี่ยจิตใจวอกแวกวกแวกมาเรียนหนังสือไม่ได้หรือเราทํางานจิตใจเราวอกแวกตลอดเวลาเราทํางานได้ไม่ดีการที่เราจะเจริญปัญญาก็เป็นการทํางานอย่างหนึ่งงั้นเราจะทํางานได้ดีนีจิตใจต้องไม่วอกแวก งก็เบื้องต้นนะมาฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวอย่าหลงเตลิดเปิดเปลิงฟุ้งซ่านไปที่อื่นอันนี้เป็นการจัดระเบียบจิตใจเพื่อให้พร้อมกับการเจริญปัญญาพร้อมสําหรับการเจริญปัญญาถ้าใจฟุ้งซ่านเจริญปัญญาไม่ได้นี่พอใจเราสงบอยู่กับอารมณ์เดียวแล้วเนี่ยอยู่ๆปัญญาไม่เกิดหรอกบางคนเข้าใจผิดนะว่าถ้านั่งสมาธิไปเรื่อยๆจะเกิดปัญญาจ้างให้ก็ไม่เกิด ถ้านั่งสมาธิมากๆแล้วเกิดตัญญาได้ฤาษีชีภัยก็บรรู้พระอราหันต์ไปก่อนพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าเจ้าชายสีทถะยังไปเรียนการนั่งสมาธิกับฤาษีเห็ยนกั ร, ราราธดบทอุตตะตาบทฤาษีสอนให้จนถึงฌานที่8ขนาดเข้าฌานที่8ปซึ่งเป็นฌานที่สูงที่สุดของสมาธิแล้วท่านอย่างสรุปเลยว่าไม่ใช่ทางมันเป็นแค่การจัดระเบียบจิตใจให้สงบเรียบร้อยสบายดี มีความสุขมีความดีมีความสงบก็แค่นั้นเองความสุขเป็นของไม่เที่ยงมันสุขได้มันก็ยังทุกได้ความดีเป็นของไม่เที่ยงมันดีได้มันยังเลวได้อีกความสง p, บก็เป็นของไม่เที่ยงสงบได้ก็ยังฟุ้งซ่านได้อีกท่านถึงบอกว่ามันยังไม่ใช่ทางนี่ท่านมาค้นหาทางของท่านด้วยตัวของท่านเองไปทรมานตัวเองทาตัวเองให้ลาบากเวลาเกือบกปีใช้ไปกับการทรมานกาย ส่วนการไปฝึกกระลือสีนั้นท่านใช้เวลาอาทิตย์เดียวท่านก็ทําได้หมดละจบหลักสูตรของกระือสีจบหลักสูตรของสมาธิในเวลาไม่กี่วันก็ของเก่าท่านเคยสร้างบารมีสร้างได้อาปิญญาห้ามานับพบนับชาติไปทวนเคยเป็นกระือสีชีพลท่านก็เคยเป็นงั้นไปนั่งเข้าสมาธิหรือฟื้นของเก่านะ้ะไม่กี่วันก็กลับมาแล้วท่านพบว่าไม่ใช่ มาทรมานตัวเองอยู่ทั้งหลายปีนะห้าปีกว่าๆในที่สุดก็สรุปอีกว่าไม่ใช่อีกสิ่งที่ไม่ใช่มีสองอย่างอันหนึ่งก็คือการที่หลงตามกิเลสไปอันที่สองบังคับตัวเองตอนทีท่านเป็นเจ้าชายท่านปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสไปหาความสุขในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสท่านเพราบว่ามันไร้สาระ ถ้ท่านออกมาบวชเรื่องตอนท่านก็ไปหัดบังคับใจตัวเองให้สงบแล้วพรว่าไม่ใช่ต่อมาก็มาฝึกทรมานร่างกายบังคับร่างกายมันอยากกินเหรอทรมานมันไม่กินมันอยากนอนเหรอไม่นอนแกล้งมันการไปฝึกจิตให้นิ่งๆก็เป็นการควบคุมจิตการไปฝึกทรมานร่างกายก็เพื่อจะหัดควบคุมร่างกายท่านเพราะว่าไม่ใช่ ท่านก็นึกถึงตอนท่านเด็กๆพ่อท่านไปทำง่ะพิธีแรกหนักวันท่านก็ไปอยู่ใต้ต้นไม้คนเดียวพวกพี่เลี้ยงก็ไปดูพ่อท่านไถนาท่านอยู่ใต้ต้นไม้คนเดียวแล้วลุกขึ้นนั่งสมาธิหายใจธรมา น, าปนุปัสสติด้วยความรู้สึกตัวหายใจยางจิตท่านตั้งมั่นขึ้นมนี่ท่านนึกถึงสภาวะที่จิตที่ตั้งมั่นนะไม่ได้ทรมานตัวเองไม่ได้บังคับกดข่ม ในขณะเดียวกันไม่ได้หลงไปในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสเนื้อทางสายกลางก็คือการมาฝึกจิตให้มันตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวพอจิตใจตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วท่านเจริญปัญญาต่อท่านก็มาพิจารณาว่าอะไรมีอยู่ความทุกข์ถึงมีอยู่ความเกิดคือการได้มาซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจมีอยู่ความทุกข์ถึงมีขึ้นมาได้ถ้าเราไม่มีกายไม่มีใจความทุกข์มันก็ไม่มี มีกายมีใจขึ้นมาความทุกข์มันก็มีเนี่ยท่านก็มาดูจากสภาวะจริงๆไม่ใช่นั่งคิดเอาบางคนก็คิดว่าเจ้าชายสิทธัตถะไปนั่งเท่าสมาธิจิตสงบแล้วก็มานั่งคิดพิจารณาออกนั่งคิดเอาใช้ไม่ได้ท่านต้องเห็นสภาวะธรรมจริงๆอะไรเป็นตัวทุกขนะ์นะ ก, ก, กายใจเป็นตัวทุกข์ตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นตัวทุกข์รูปเสียงกลิดลด่นรสปวดท่าพระธรรมารมอะไรอันนีของข้างนอก รูปเวทนาสัญญาถังขานวิญญาณขันห้าเป็นตัวทุกข์าหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะเป็นตัวทุกข์สิ่งเหล่านี้จิตเข้าไปยึดถืออยู่ร่างกายนี้เป็นของโลกมันมีมาก่อนมีมาอยู่แล้วจิตเข้าไปยึดว่ากายนี้เป็นของเราเป็นตัวเราจิตใจมันก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งเป็นเป็นธาตุอย่างหนึ่งเป็นธาตุรู้มันก็มีอยู่แต่ว่าเราเข้าไปยึดมันว่าเป็นตัวเราเป็นของเราขึ้นมา เนความยึดมันมีเพราะมีความอยากท่านดูสภาวะจริงๆนะท่านค่อยๆสังเกตไปความอยากมีได้เพราะมีความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกเฉยๆโดยเฉพาะความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์นี่กระตุ้นความอยากได้เร็วมากเลยท่านจึงบอกเมทนาคือความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์อะไวเนี้เป็นปัจจัยของตัณหาหรือความอยาก ความสุขความทุกข์มาจากไหนความสุขมาความทุกข์มาจากถัดสะการกระทบอารมณ์อยู่ๆเราไม่สุขไม่ถูกข์หรอกตาเรามองเห็นรูปที่พอใจก็เกิดความสุขตาเราเห็นรูปที่ไม่พอใจก็เกิดความทุกข์หูเราได้ยินเสียงที่พอใจก็มีความสุขหูเราได้ยินเสียงที่ไม่พอใจก็มีความทุกข์ใจเราคิดนึกไปในเรื่องที่พอใจก็มีความสุขคิดนึกไปในเรื่องที่ไม่พอใจก็มีความทุกข์ แต่ใจจะคิดเราห้ามไม่ได้ใช่ไหมเราเลือกว่าจงคิดแต่เรื่องที่ดีๆสั่งไม่ได้มีตาเราก็สั่งไม่ได้ว่าจงเห็นแต่รูปที่น่าพอใจมีหูเราก็สั่งไม่ได้ว่าจงได้ยินแต่เสียงที่น่าพอใจมีใจเราก็สั่งไม่ได้ว่าจงคิดนึกแต่เรื่องที่น่าพอใจมันบังคับไม่ได้นี่พอใจของเรากระทบอารมณ์นะาตาหูจมูกลิ้นกาใจกระทบอารมณ์นะมันจะเกิดความรู้สึกสุขรู้สึกทุก ข, ข์ขึ้นมา เห็นสิ่งที่พอใจได้ยินเสียงที่พอใจได้กลิ่นที่พอใจได้รสที่พอใจได้สัมผัสที่พอใจได้คิดนึกที่พอใจก็มีความสุขพอมีความสุขขึ้นมานะราคะจะแทกกิเลสกิเลสจะแทรกตรงนี้ราคะจะแทรกเวลามีเวทนาที่มีความสุขขึ้นมาราคะจะแทกเวลาที่เรามีความทุกข์ขึ้มานะโทสะจะแทกเวลาที่ไม่สุขไม่ทุกข์ไมจับไม่ถูกนะมุหาแทรก โมหะเอาไปกินหมดหลงเพลินเพสังเกตไหมเวลาเราไม่สุขไม่ทุกข์นะเวลาผ่านไปเร็วนะสุขทุกข์เราไม่รู้เรื่องนะเราเผลอเเพลิเลเลนเพลหลงไปมูหาเอาไปกินหมดหลงตัณหาไม่ได้เกิดตามหลังเวทนามาพอเรามีความพอใจเราเห็นรูปก็ เ, เกิดความสุขเห็นผู้หญิงสวย เ, เกิดความสุขพอ เ, เกิดความสุขแล้วชอบอยากได้ อยากเห็นมากๆอยากเห็นบ่อยๆอยากเห็นนานๆอยากเอาไปเห็นอยู่ที่บ้านอย่างี้ความอยากมันเกิดตามหลังเวทนามาเวลาเรากระทบอารมณ์ที่ไม่ดีเรามีความทุกข์ขึ้นมานะใจเราไม่ชอบตรงที่ใจเราไม่ชอบความทุกข์นั่นแหละคือตัวโทสะพอมีโทสะเกิดขึ้นเราก็อยากมีความอยากเกิดขึ้นอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันไม่ดีนะั้นผ่านๆไปให้หมด อยากให้มันจบไปอยากให้มันสิ้นไปอยากให้มันไม่มีเรื่อมีวิภาวะตันหาถ้าพอใจขึ้นมาก็มีการมาตันหาอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมีภาวะตันหาอยากเป็นโน้นอยากเป็นนี้มีวิภาวะตันหาในเวลากระทบอารมณ์ไม่พอใจมีวิภาวะตันหาอยากให้มันจบไปอยากให้มันสิ้นไปอยากให้มันหมดไปทันทีที่ใจเรามีความอยากใจจะดิ้นทั้งอยาก ได้มานะหรืออยากให้หายไปใจไม่มีความสงบนะใจจะดิ้นรนใจจะดิ้นรนปรุงแต่งแลใจดิ้นรนปรุงแต่งนี่นะใจจะมีความทุกข์ขึ้นมนาะงั้นถ้าเราหัดหัดนะภาวนานเจ้าชายเศรษฐะนะท่านก็ดูทวนทวนทว น, ทวนลงมานะไม่ตึงเวทนาอ๋อมีเวทนาก็มีตันหามีตันหามีอุปาทานพบมีชาติมีทุกข์ถ้าลงละเอียดก็เยอะหน่อย ท่านดูลองไปอีกเวทนามาจากไหนเวทนามาจากผัสสะตาหูจมูกลิ้นกายใจมันกระทบอารมณ์มันก็เกิดสุขเกิดทุกข์ขึ้นมาภาษาเราเลือกได้ไหมเราเลือกไม่ได้สั่งว่าให้เห็นแต่ของดีทําไม่ได้ให้ได้ยินแต่ของดีทําไม่ได้มีผัสสะเพราะอะไรเพราะเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจเรามีอา ย, ต, นะอายตนะน้นอายตนะนี่เป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ ความรู้สึกถูกสุขทุกขนั่นแหะผลักดันให้เกิดความอยากความอยากทําให้จิตจิ้นรนจิตดิ้นรนนี้เรียกว่าพบมีความดิ้นรนของจิตเมื่อไหร่นะมันจะเข้าไปยึดถือตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปแล้วก็ยึดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนีญญญญยึดมาเป็นตัวเราของเราความทุกข์นัก็เกิดนี่เรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจนะก็เลยมีผัสสะมีการกระทบอารมณ์ได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจได้มาจากไหน ได้มาจากความเกิดจิตยังลงมาในท้องแม่เราได้ร่างกายนี้มาได้จิตใจนี้มานี่ท่านถวจลงไปเรื่อยๆนะทำไมจิตถึงต้องอยังลงในท้องแม่อันนี้เป็นขั้นที่ละเอียดขึ้นไปอันนี้พวกเรายัางไม่เห็นเราจะสามารถเห็นปฏิจจสมบัติได้เฉพาะในท่อนปลายๆท่อนต้นๆที่ว่าอาวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัย ขอวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยของนารูปนี่เรายังไม่เห็นเรามีก็มีนารูปมีกายมีใจมาแล้วมีตาหูจมูกลิน้นกายใจมาแล้วแล้วก็คอยดูเรียนรู้สิ่งที่เรามีเมื่อมันมีตาแล้วมันกระทบอารมณ์แล้วกระทบอารมณ์แล้วมันมีความสุขเกิดขึ้นมีความทุกข์เกิดขึ้นมีหูมันก็ได้ยินเสียงก็ได้ยินเสียงแล้วมันเกิดสุขเกิดทุกข์ขึ้นมาให้คอยรู้ความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ในจิตใจของเรานี่แหละ ถ้าหากเราคอยรู้ทันความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจนะตัณหาจะไม่มีช่องทางเกิดถ้าตัณหาเกิดได้เนี่ยตอมื่จิตมันไปหลงในความสุขความทุกข์พอมีความสุขขึ้นมามันก็ไปหลงเพลิดเพลินพอใจราคะแทรกมีความทุกข์ขึ้นมามันไปหลงเกลียดชังโทสะแทรกมีราคะมีโทสะขึ้นมาก็จะผลักดันให้เกิดความอยากมีราคะก็อยากได้อยากมีอยากเป็นมีโทสะก็อยากให้หมดไปอยากให้หายไป มีความอยากให้มาจิตจะดิ้นรนมีความดิ้นรนจิตจะมีความทุกข์งั้นถ้าเราสามารถตัดตอนปฏิจจสุบาท์ให้ขาดนะมันทําได้ง่า ย, ายๆเลยเราคอยรู้ทันเวลาตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรากระทบอารมณ์อย่างใจเราก็กระทบอารมในใจคิดนะบางทีใจเราคิดไปก็มีความสุขเคยเป็นไหมคิดแล้วมีความสุขเคยเป็นบ้างไหมคิดแล้วมีความทุกข์เคยเป็นไหม แต่เดิมเนี่ยคิดแลามีความสุขนะไม่ยอมรุดดูใจตัวเองนะมันแต่ไปคิดอะไรตเตลิดเปิดเปิงออกไปอีกเวลาคิดแล้วมีความทุกข์ก็ไม่ยอมมาดูใจตัวเองนะตเตลิดเปิดเฟิงไปคิดอะไรต่ออะไรต่อไปอีกเนะงี้นต่อไป น, นี้เรามาฝึกกรรมฐานในขั้นเดินปัญญานะเอาง่ายๆเลยนะหาเดินปัญญาอย่างง่ายๆนะตาเมาเห็นหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจคิดนึกขึ้นมา มีความสุขเกิดขึ้นในใจรู้ทันมีความทุกข์เกิดขึ้นในใจรู้ทันหรือมันเฉยๆก็รู้ไปไม่ต้องเลือกว่าจะต้องมีแต่ความสุขไม่ต้องห้ามว่าอย่าเกิดความทุกข์มีสุขก็ได้มีทุกข์ก็ได้การที่เราคอยรู้ทันความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นใน ใ, นใจบ่อยๆต่อไปเราจะเห็นความจริงอย่างหนึ่งว่าความสุขเน่ยเป็นของไม่เที่ยงความสุขเกิดแล้วก็หายไปนี่เรียกว่ามันไม่เที่ยง ความทุกข์ก็ไม่เที่ยงความทุกข์ก็อยู่ชั่วคราวผ่านมาแล้วก็หายไปเราลองมาทบทวนในชีวิตของเราสิชีวิตของเราที่มีความสุขผ่านมากี่เรื่องแล้วความสุขทั้งหลายในชีวิตของเรามาแล้วก็ไปทั้งสิ้นเลยและในชีวิตเราเนี่ยมีความทุกข์มาแล้วกี่เรื่องเราทบทวนดูความทุกข์ทั้งเยอะแยะเลยแต่ความทุกข์ทั้งหลายนะมาแล้วก็ไปเราะนั้นความสุขความทุกข์เนี่ยตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เหมือนกันตกอยู่ใต้คําว่าอนิจจังนะไม่เที่ยงเหมือนกัน มันทนอยู่ไม่ได้เรียกว่ามันปิดตกอยู่ใต้ทุก ข, ขลักษณะแล้วมันบงังคับไม่ได้เรียกว่าเป็นอนัตตาอย่างเราสั่งให้มีความสุขไม่ได้ห้ามไม่ให้มีความทุกข์ไม่ได้เราบังคับไม่ได้ปวดมันจะมามันก็มามีการกระทบอารมณ์ที่ไม่พอใจก็ เ, เกิดทุกข์ขึ้นมากระทบอารมณ์ที่พอใจก็เกิดสุขขึ้นมาเลือกไม่ได้นี่แหละคาว่าอนัตตา การที่เราคอยรู้คอยเห็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นจริงๆต่อหน้าต่อตาเรานะตัวอย่างที่หลวงพ่อบอกให้พวกเราลองหัดทำนั่นก็คือหัดรู้ความรู้สึกสุขรู้สึกทุกเนียงทำไมให้หัดรู้ความรู้สึกสุขรู้สึกทุกง่ายที่สุดละถ้าไปรู้อย่างอื่นนะยากกว่า น, นี้อยากให้ไปรู้ร่างกายนะยากนะร่างกายเนี่ยอย่างบางคนไปดูผมข น, น, น, น, นเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเลยผมขนเล็บฟันหนังเนื้อดูยังเป็นอารมณ์ปัญญะอยู่ ไม่ใช่ตัวรูปที่แท้จริงถ้าตัวรูปที่แท้จริงนะคือธาตุดินธาต้น้ําธาตุไฟธาตุลมในเส้นผมมีธาตุดินในเส้นเส้นผมมีธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมมีพร้อมอยู่เลยเราดูไม่ออกอะเราดูผมมันก็เป็นผมอยู่นั้นเองดูขนเล็บฟันหนังเนื้เองกระดูกนี่ากระดูกมะมีทั้งธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมมีครบอยู่ในทั้งหมดเลยดูยากมากเลยในการที่จะแยกแยะรูปธรรม นะตัวรูปออกไปจนถึงรูปแท้ๆคือตัวธาตุทายากนะไม่ใช่ง่ายๆหรือตัวสังขารนะดูสังขารความปรุงดีความปรุงชั่วของจิตมีตั้งเยอะเลยตั้ง50ชนิดเนะในขณะที่ความสุขความทุกข์ความเฉยๆมีแค่3ชนิดหนงะส่วนความปรุงแต่งคือตัวสังขารขันมีทั้ง5 0าสิบชนิดนะส่วนที่ดีก็มีส่วนที่ชั่วก็มีส่วนที่ชั่วอย่างโลภโกรธหลงเนะี่ย โลภโกรธลงสามตัวแท้ๆนะแยกออกไปได้อีกเยอะเลยอย่างความโลภนะอยากได้มานี่ก็ความโลภนะความอะไรความเจ้าความคิดเจ้าความเห็นตัวทิฏฐิทิฏฐิมานะอะไรนี้ น, นี่ก็ตัวโลภตัวโกรธก็มีเยอะแยะเลยความไม่พอใจนี่ก็ตัวโกรธความเศร้าโศกก็เป็นตัวในตระกูลโทสะเหมือนกัน ความตรณีรู้สึกขี้เหนียวเวลาขี้เหนียวมีความสุขหรือมีความทุกข์เวลาหวงหวงของเนี่นย น, นักเรียนบางคนก็หวงเพื่อนมาถามวิชาการอะไรนะไม่ยอมบอกหวงเวลาหวงนะความรู้สึกหวงเกิดขึ้นจิตใจไม่มีความสุขนั้นอยู่ในตระกูลโทสะด้วยดูดูให้ทั่วถึงนะความปรุงแต่งของจิตนะก็นะดูยากนะมันมีเยอนะน้อยใจน้อยใจเป็นอะไรโลภหรือโกรธหรือหลงน้อยใจ โลภลึกหลดหรือหลงดูออกไหมเพราะว่าน้อยใจเวลาน้อยใจมีความสุขไหมถ้าไม่มีความสุขนะเคล็ดลับในการดูง่ายๆเลยถ้ามีความทุกข์นะเป็นตะกูลโทสะแน่นอนเลยถ้ามีความทุกข์นะมันดูง่ายตัวโทสะอิจฉาอิจฉามีความสุขไหมไม่มีไหมตระกูลโทสะก็ เ, เยอะนะลูกหลานเหรนยนีย้เยอะแยะไปหมดเลย การที่เราจะดูได้หมดทุกตัวเนี่ยก็ยากเหมือนกันงั้นถ้าอยากฝึกกรรมฐานเจริญปัญญาในขั้นเจริญปัญญานะฝึกที่ง่ายๆที่สุดเลยคอยรู้ทันความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ในใจของเรานี่แหละจิตใจมีความสุขขึ้นมารู้ทันจิตใจมีความทุกข์ขึ้นมาแล้วก็รู้ทันรู้เพื่ออะไรรู้เพื่อวันหนึ่งเราจะเห็นว่าความสุขก็ไม่เจียงจิตใจที่มีความสุขก็ไม่เทียง ความทุกข์ก็ไม่เที่ยงจิตใจที่มีความทุกข์ก็ไม่เที่ยงถ้าเราเห็นได้อย่างนี้นะหรือจิตใจที่เฉยๆก็ไม่เที่ยงความเฉยๆก็ไม่เที่ยงวิเวทนาทางใจมีแค่3อย่างเท่านี้นสุขทุกข์ก็เฉยๆ3อย่างนี้หมุนเวียนอยู่ในใจเราทั้งวันทั้งคืนนะกี่ปีกี่ชาติกี่ภพกี่ชาตินะก็เวียนอยู่แค่นี้ก็มีอยู่แค่นี้แหละสังเกตไห้ใจของเราถ้าไม่สุขก็ทุกข์ใช่ไหมถ้าไม่สุขไม่ทุกข์ก็เฉยๆก็มีอยู่เท่านี้เอง ให้เราคอยรู้ทันมีความสุขเกิดขึ้นคอยรู้ทันมีความทุกข์เกิดขึ้นคอยรู้ทันมีความเฉยๆเกิดขึ้นคอยรู้ทันรู้นั้นไม่ใช่เพื่อจะรู้แล้วก็ไ ป, ไปบังคับให้มีความสุขตลอดรู้นั้นก็ไม่ใช่รู้เพื่อห้ามไม่ให้เกิดความทุกข์แต่รู้เพื่อให้เห็นว่าความสุขก็เป็นของชั่วคราวความทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวความเฉยๆก็เป็นของชั่วคราวหัดต like ัวอย่างนี้แหละซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้าแล้วซ้ําอีกนะดูทุกวันทุกวันไป อย่างเราเป็นพยาบาลสมมติเราเป็นพยาบาลนะเห็นคนไข้ามาเยอะแยะเลยบางค น, คนเขาทาอะไรเลอะเทอนะเพิ่มงานให้เราอะไรเงี้ยใจเราไม่มีความสุขใจเรามีทุกข์ขึ้นมาให้รู้ทันถ้ารู้ไม่ทนันก็ไปตีกับคนไข้หรือหมอนะขับรถมาเข้าโรงพยาบาลโอ๊ยคนล้นโรงพยาบาลในวันนี้นะเห็นแล้วไม่มีความสุขเลยไม่ใช่ว่าไม่มีความสุขเพราะสงสารเพราะคนเจ็บป่วยเยอะ ชี้เียทํางานทังงานมันหนักนะวันวั น, ว น, นึงตรวจคนไข้ทั้งเยอะแยะใจมันท้อถอยเองี้ยไม่มีความสุขตอนเย็นเลิอกจากโรงพยาบาลไปที่คลินิกนะถ้าคนไข้รออยู่นอกคลินิกเลยเยอะแยะเลยมีความสุขนะอืยังกลับข้างกันได้เนะเห็นคนเยอะๆเหมือนกันบางทีก็สุขบางทีก็ไม่สุขนีมันอยู่ที่การให้คาดเลยแต่พอจิตมันมีความสุขขึ้นมาดูลงไปก็จะเห็นว่าความสุขเป็นของชัวคราวจิตมีความทุกเกิดขึ้นรู้มันเข้าไป มันก็จะเห็นว่าความทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวถ้าเม well <im> <im> like ื <ua ido> ่อไหร่เราเห็นว่าความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวนะต่อไปเวลาความสุขเกิดขึ้นนะเราจะไม่หลงระเริงเราจะไม่ได้มีความอยากที่จะให้ความสุขอยู่นิรันดร์เพราะเรารู้ความจริงแล้วความสุขมันชั่วคราวเห็นไหมถ้าเรารู้ความจริงตรงนี้นะตัณหาจะไม่เกิดหรอกตัณหาคือความอยากมันไม่เกิดเลยถ้าไม่มีความอยากไม่มีตัณหาตัณหาคือตัวสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์ ถ้าเราใจมันมีปัญญาแจ่มแจ้งขึ้นมานไหมแจ่มแจ้งขึ้นด้วยปัญญานะว่าความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวความสุขมันไม่เที่ยงความทุกข์มันไม่เที่ยงใจมันจะเป็นกลางต่อความสุขและความทุกข์มีความสุขเกิดขึ้นไม่หลงยินดีก็ไม่ได้อยากได้ไม่ได้อยากว่ามันจะต้องมาตลอดไม่ได้เสียใจเวลามันหายไปเวลาความทุกข์เกิดขึ้นก็ไม่ทุรนทุรายเพราะรู้เดี๋ยวมันก็ไป ใจมันจะไม่ดิ้นรนใจมันจะหมดความดิ้นรนถ้าเราฝึกไปจนปัญญามันแจ้งแล้วใจจะหมดความดิ้นรนเมื่อใจหมดความดิ้นรนใจจะพ้นจากความทุกข์ใจหมดความอยากตัวอยากเป็นตัวสมุทยิยเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ในพระสูตรก็มีนะพระพุทธจเจ้าสอนหลายท่านเลยพุทเจ้าสอนให้ดูเวทนาเนี่ยคราวหนึ่งท่านสอนทีฆนักขะ ทีคณัขะว่าในเล็บยาวจริงๆเป็นหลานพระสารีบุตรเขาไม่ได้นับถือพระุทธเจ้าพระสารีบุตรอมาบวชพระสารีบุตรนั่งพัดให้พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพูดอยู่กับทีคณะกขะพุทธเจ้าอธิบายธรรมะให้ฟังในแยกแยะตัวเวทนาเนี่ยมาตัวความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์นี่เป็นกระบวนการที่มันปลุงความทุกข์ขึ้นมาพระสารีบุตรเข้าใจตัวนี้นะบรรลุพระอรหันต์นะทีคณขะเขาได้โสดาบัน พระพุทธเจ้าเคยสอนพระโมคคลลานาโมคคลลานะโมคคลลาถามว่าอะไรเป็นแก่นธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วทําไงจะบรรลุได้ตัดตรงเข้ามาเข้าใจคําสอนรวบยอดของท่านได้ท่านบอกคําสอนรวบยอดของท่านก็คือทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นตรงนี้ที่ท่านอาจารย์พุทธทาสภิกคุ ổ, ไปเอามาใช้ ท่านพุทธทาสเน้นมากเลยบ่กหัวใจทำสอนของพระพุทธศาสนานีก็คือสัพเพ ธ, ธรรมานาลังอภินิเวศายะทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นอันนี้ท่านพุทธทาสท่านไม่ได้พูดเองพระพุทธเจ้าพูดท่านออกมาจากพระไตรปิฎกท่านเก่งนะท่านไปดึงออกมาได้ใครๆมองก็หมองขําท่านกลับไปเพาตรงนี้สําคัญแล้ววิธีที่จะไม่ยึดมั่นในสิ่งท่าไหลายทั้งปวง ที่พระพุเจ้าสอนรู้ทันความไม่เที่ยงของเวทนาของความสุขความทุกข์นี่เองทําไมเราชอบอย่างนี้ทําไมเราเกลียดอย่างนี้เราชอบสิ่งนี้เพราะมันนําความสุขมาให้เราเกลียดสิ่งนี้เพราะมันนาความทุกข์มาให้ถ้าใจมันเห็นความจริงนะว่าสุขทุกข์ก็ไร้สาระสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวใจก็หมดความดิ้นรนหมดความรักหมดความเกลียดแล้หมดความปรุงแต่ง นเป็นวิธีกรรมฐานง่ายนะง่ายที่สุดแล้วล่ะไม่ต้องดูอะไรมากหรอกแต่ว่าถ้าจะปฏิบัติจริงๆนะขั้นต้นเลยรักษาศีลห้าไว้ก่อนต้องมีศีลก่อนนะพอรักษาศีลห้าได้แล้วพยายามไม่พลาดสวดมนต์บ่อยๆสวดมนต์ไปเรื่อยๆคิดถึงพระพุทธเจ้าบ่อยๆอะไเนี้ยจิตใจเราจะสงบง่ายอย่าคนที่คอยคิดถึงพระพุทธเจ้าบ่อยๆทาความสงบง่าย หรือไม่ชอบคิดถึงพระพุทธเจ้านะจเนี่ยเจริญเมตตาบ่อยๆก็สงบง่ายกรรมฐานที่จะให้ฝึกแค่จิตใจสงบนะเลือกดูเราเป็นคนใจร้อนขี้มโมโหเราก็จเจริญเมตตาบ่อยๆเราเป็นคนที่มีศรัทธาในพระพุทธเจ้ามากแล้วคิดถึงพระพุทธเจ้าบ่อยๆอะไรเงี้ยแล้วแต่นิสัยเราเราเป็นคนบ้า ก, กามพิจารณาปฏิกูลอสุภะบ่อยๆดูไปร่างกายนี่ไม่สวยไม่งามมันขอสขโสกปลกสโสโครก ใจก็สงบพอจิตใจสงบได้แล้วก็มาพัฒนาต่อมาฝึกใจิตให้เป็นคนดูเพราะว่างานหลักของเราคือการดูกายดูใจตามความเป็นจริงจิตของเราปกติไม่ยอมเป็นคนดูมันจะเป็นคนคิดอย่างเดียวชอบหนีไปคิดอย่างเดียวเรามาฝึกจิตของตนเองให้เป็นคนดูบ่อยๆอย่างเรานั่งอยู่ถ้าเราจะดูกายนั่งหายใจอยู่เนี้ยค่อยๆรู้สึกลงไปร่างกายที่หายใจอยู่เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เขา้า ถ้าเราชอบดูเวทนาความสุขความทุกข์ก็ดูไปเวทนาเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าถ้าชอบดูจิตที่ปรุงกุศลอกุศลก็ดูไปกุศลอกุศลเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าค่อยๆฝึกไปใจมันถอยออกมาแยกออกมาเป็นคนดูพอใจมันแยกเป็นคนดูแล้วคราวนี้ก็เจริญปัญญาต่อได้ละถนัดดูกายก็ดูไปถนัดดูเวทนาก็ดูไปถนัดดูจิตก็ดูไปแล้วแต่ถนัด แต่ถ้าจะเอาง่ายๆนะง่ายๆเลยดูความสุขความทุกข์ในใจนะเพราะทุกคนรู้จักอยู่แล้วความสุขเราก็รู้จักความทุกข์เราก็รู้จักแต่คนทั้งทั้งโลกนะเวลามีความสุขมันไม่ยอมรู้ที่ความรู้สึกของตัวเองมันจะไปดูของที่ทําให้มีความสุขไปฟังเรื่องที่มีความสุขไปคิดเรื่องที่มีความสุขเวลามีความทุกข์เกิดขึ้นนั้นถ้าจะรู้ว่าความทุกข์กลังเกิดอยู่ก็รู้ได้แต่ไม่ยอมรู้ อย่าไปคิดไปดูไปฟังอะไรแต่เรื่องที่มันนําความทุกข์มาให้สังเกตไหมถ้าเราเกลียดใครมากๆสักคนเราจะคิดถึงบ่อยนึกออกไหมเกลียดแล้วนําความทุกข์มาให้ใช่ไหม ใ, หใจก็ไปคิดถึงบ่อยหไหมแปลกแทนที่บอกเกลียดเขาอย่าไปคิดถึงจะได้ไม่มีความทุกข์ไม่ใช่หรอกเราไปซื้อเสื้อผ้ามาสักตัวนะสมมติเราเก็บตังค์ไปซื้อเสื้อสวยงามมาตัวนึ่งพอมาถึงบ้านนะเราพราะว่ามีรูเล็กๆ เ, เ, เกี่ยวอะไรมานิดหนึ่ง มีรูขาดไปนิดหนึ่งนะหรือมีรอยเปื้อนอยู่นิดหนึ่งนะเราจะไม่ดูเสื้อทั้งตัวแนละ้วเราจะดูแต่รอยขาดนี้เวียนดูอยู่งนะั้นเวลามีความทุกข์ก็จะเวียนดูอยู่งั้นไม่เลิกเราห้ามห้ามจิตไม่ได้ฉะนั้นเรารู้เอานะรู้เอาคนทั่วไปเนี่ยพอไม่พอใจมีความสุขหรือมีความทุกข์นี่มันจะออกนอกไปดูของนอกตลอดเราแค่ย้อนกลับมาดูใจตัวเองเท่านั้นเอง ตอนนี้ใจเรามีความสุขรู้ทันตอนนี้ใจเรามีความทุกรู้ทันทุกคนรู้ได้อยู่แล้วบางคนพูดพล่อยๆบอกดูจิตยากท้อยากอะไรทุกคนดูเป็นอยู่แล้วโกรธเป็นไหมโกรธก็ เ, เป็นใช่ไหมเพียงแต่ตอนโกรธเนี่ยไม่รู้ว่าใจกําลังโกรธจะไปมองคนที่เราโกรธโลภเป็นไหมโลภกเ็เป็นใช่ไหมรู้จักไหมโลภเป็นยังไงรู้จักทุกคนอยากโน้นอยากนี่ขึ้นมาแต่ตอนอยากเนี่ยไม่ยอมดูว่าใจกําลังอยาก จะไปดูของที่อยากอย่างอยากได้โทรศัพท์มือถือใหม่ก็ไปดูที่โทรศัพท์ใจอยู่ที่โทรศัพท์ทั้งทั้งที่การรู้ทันจิตใจตนเองไม่ใช่เรื่องยากเลยแล้วถ้าจะรู้แบบง่ายๆนะไม่ต้องรู้อะไรซับซ้อนรู้ความรู้สึกสุขรู้ความรู้สึกทุกรู้ความรู้สึกเฉยๆสามอย่างนี้แหละรู้เข้าไปตลอดชีวิตเลยก็ได้รู้จนวันหนึ่งจิตมันแจ้งขึ้นมาสุขก็ชั่วคราวทุก็ชั่วคราวเฉยๆก็ชั่วคราว ถ้แจ <inal lens, S 1> ้งขึ rock, hot, well plenty, s s ้นมาถึงตรงนี้เราใกล้กับมรรคผลนิพพานเต็มทีแล้วเพราะจิตที่เข้าสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญาเรียกว่าเขามีสังขารู้เบิกขายาณคือมีปัญญาเป็นกลางต่อสังขารเป็นกลางเพราะว่ามีปัญญาสังขารคือความปรุงแต่งอย่างความสุขความทุกข์เป็นสังขารอย่างหนึ่งเป็นความปรุงแต่งอย่างหนึ่งและจิตเป็นกลางกับสุขจิตเป็นกลางกับทุกข์จิตเป็นกลางกับเฉยเฉยถ้าจิตเป็นกลางจิตจะไม่ดิ้นไม่มีความอยาก ถ้าไม่มีความอยากจิตจะไม่ดินน้นรนเพราะน้นตรงที่จิตเข้าสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญาอย่างยิ่งเ น, นเป็นประตูที่จะไปบรรลุมรรคผลลใกล้ต่อการบรรลุมรรคผลแะแต่ถ้าจิตใจของเราไม่มีความเป็นกลางด้วยปัญญานะียังห่างกับการบรรลุมรรคผลอยู่เพราะนั้นจิตถูกเบี่ยงซ้ายเบียงขวาเดี๋ยวฟูเดี๋ยวแฟบอยู่ทั้งวันนะยังไกลกับมรรคผลนะ เราเฝ้ารู้อยู่ที่ใจเราบ่อยๆกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ไอ้มันกระทบมีตามันก็ต้องเห็นรูปนี่ไม่ใช่ตาบอดเราดีเมื่อไหร่ะมีหูก็ได้ยินเสียงไปนะไม่ใช่หูหนวกเราดีนี่มีใจก็คิดนึกได้ไม่ใช่ห้ามคิดบางคนคิดว่าทํากรรมฐานต้องห้ามคิดไม่ได้ห้ามคิดแต่ถ้าคิดแล้วมีความสุขให้รู้ทันและคิดแล้วมีความทุกข์ให้รู้ทันแค่แค่นี้เองถึงวันหนึ่งจิตมันจะสรุปเองสุขทุกข์ก็เป็นของชั่วคราว ถึงตรงนี้ได้แล้วจิตจะเป็นกลางถ้าจิตเป็นกลางแล้วบารมีเราพอนะศีล ส, สมาธิปัญญาเราอบรมมามากพออริยมรรคก็จะเกิดขึ้นจะได้เป็นพระโสดาบันกับเขาบ้างอย่าไปนึกว่าโสดาบันเป็นของไกลเกินไปอย่าไปคิดว่าโสดาบันได้มาด้วยการรักษาศีลหรือการนั่งสมาธิแต่โสดาบันได้มาเนี่ยเพราะมีศีลมีสมาธิมีปัญญาไม่ใช่เพียงอันแต่แหนึ่งหรือสองอัน พวกเราขั้นต้นรักษาศีล น, นะขั้นต่อมาก็ฝึ ก, กจิตใจให้สงบฝึ ก, กจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวคอยรู้สึกตัวเองบ่อยๆดูตัวเองดูใครดูใจตัวเองบ่อยๆโดยเฉพาะดูเข้าไปที่ความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกเฉยๆนี่แหละมีอะไรไม่มากหรอกถ้าดูได้อย่างนี้นะโอกาสที่จะเข้าสู่มรรคผลนผิพพานในชีวิตนี้ก็ไม่ไกลเกินไปไม่ได้ยากอะไรเหมือนไปนั่งสมาธินั่งให้ตายไม่บรรลุหรอก ไม่เดินปัญญาไม่บรรลุหรอกเดินปัญญาเลยนะแต่จิตใจฟุ้งซ่านก็ไม่บรรลุหรอกมีสมาธิมีปัญญาแต่ไม่มีศีลใช้ไม่ได้เทวทัตฉลาดนะเทวทัตมีปัญญานะไม่โง่หรอกเทวทัตมีสมาธินะถึงขนาดเหาะได้เทวทัตไม่มีศีลเสื่อมหมดสุดท้ายเั้นพวกเราอย่าดูถูกนะศีลที่หลวงพ่อขอพวกเราก็คือศีลห้าตอนนั้นแหละไม่ถึงขนาดว่าต้องอดเข้าเย็นหรอกนะ ม่ถึงขนาดว้ห้ามยุงกับเมียไม่ใช่แต่ว่าถือศี่ห้าถือให้มันเป็นนิสัยเลยแล้วก็ทุกวันไหว้พระสวดมนต์บ่อยๆไหว้พระสวดมนต์ทีไรเราก็ได้สมาธิขึ้นมาส่วนหนึ่งแล้วไหนขี้โมโหก็แผ่เมตตาบ่อยๆคิดถึงคนอื่นในทางดีบ่อยๆใจก็มีความเมตตามีความเป็นมิตรขึ้นมาคําว่าเมตตาคือคําว่ามิตรนั่นเองคำเดียวกันเลยรากศัพท์เดียวกัน เมตตาไมตรีมิตรคำเดียวกันใจนี้สงบใจสงบนะรู้สึกตัวอย่าฟุ้งซ่านอย่าลืมตัวเองค่อยรู้สึกกายพอยรู้สึกใจไปแล้วก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจให้มันกระทบไปกทบอารมณ์ไปเกิดสุขรู้ทันเกิดทุกข์รู้ทันเกิดเฉยเฉยรู้ทันสุดท้ายมันก็เห็นเองสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวเฉยก็ชั่วคราวถ้าเห็นอย่างนี้ได้ลนะมักผลไม่ไกลแล้วะ ถ้าใจไม่เป็นกลางไกลถ้าไม่มีศีลไกลมากเลยสุดกูเลยเท่านี้ก็พอนะเรียนมากไปก็จำไม่ได้สมาธิมีสองชนิดนะสมาธิหนึ่งสงบสมาธิอันหนึ่งตั้งมั่นสมาธที่สงบจะไม่แยกเอาไว้ทาสมถะสมาธที่ตั้งมั่นจิตมันแยกออกมาเป็นคนดูนี่สมาธิที่ใช้เดินปัญญา ดูมาเรื่อยๆล่าสุดก็ไปฟังพ่อที่ที่สุรินนะคะอพอกลับมาก็จะมีเหมือนมีมีภาพลอยขึ้นมาในหัแล้วก็มันก็ดับไปเลยะะอะไรๆขนาดก็คือเหมือนว่าไม่มีไม่ได้ไปยืดไปปรุงไปแต่งอะไรมาค่ะก็แค่เห็นว่ามันมีภาพมันไม่น่าจะเรียกสัญญาณเปล่าคะ่ะมขึ้นมาแล้วก็เรียกสัญญาค่ะแล้วก็ดับสัญญานะมันอยู่ๆก็จําเรื่องนี้ขึ้นมาฝุดขึ้นมา ปกติจะเห็นเหมือนเห็นหน้าคนนี้แล้วก<ม>็จะแบบปรุงเนี่ยมีสัญญาแล้ว ต, ต่อด้วยสังขารที่ปรุงต่อแต่ว่าค <ำ S 2> ํานั้นเนี่ยก็จะดับดับดับไปเพาเรารู้ทันถ้าเรารู้ทันสัญญาที่เกิดขึ้นนะสังขารก็ดับทํานองเดียวกันถ้าเรารู้ทันเวทนาที่เกิดขึ้นนะสังขารก็ดับเพราะสัญญาและเวทนาสองอย่างนี้แหละเรียกว่าจิตสังขารเป็นตัวปรุงสังขาร งั้นถ้าเราเห็นสัญญาผุดขึ้นมารู้ทันมก็ดับเลยไม่ปลุกต่อถ้าเห็นเวทนาเกิดขึ้นรู้ทันนะก็ดับเลยไม่ปลุกต่อมีสองตัวเนี้ยที่ทําให้ปลุกต่อคือสัญญากับเวทนาทีฝึกอีกหลังจากนี้ก็คงคงคงซ่านมากแล้วก็คือมีช่วงหนึ่งที่หายการทําในรูปแบบไปค่ะแล้วก็กลับมามต้องทำเริ่มเริ่มทำอีกครั้งหนึงต่ก็มีเรื่อง คือเหมือนเป็นคนนั่งสมาธิไม่ได้อ่ะ น, นั่งมไม่ลงสักครั้งลงยากหน้าใจมันเร็วใจมีขี้โมโหใจมีรวดเร็วคือปกติจเดินจงกรมาค่ะพราะว่าคราวนี้ม่ทิ่บ้านเราไม่สะดวกในการเดิเพราะว่าจะนอนอดึกแก็จะแม่เขาจะลับไปแล้วหลวงพ่อใช้วิธีนี้นะเมื่อก่อนหลวงพ่ออยู่บ้านไม้นะดึกๆเราเดินไม่ได้ชาวบ้านคนอื่นก็ไม่ใช่ชาวบ้านอนะ่ะคนในบ้านเราเขาจะตื่นหลวงพ่อเคลื่อนไหวนั่งนะ มีพัดอยู่วัน น, นั้นขยบับรู้สึ ก, ร, ส ก, ร, สกรู้สึกเหนร่างกายเป็นเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูแยกขันอยู่นะถ้ามีกําลังมากกว่านั้นก็แยกแยกความรู้สึกในใจความสุขความทุกข์ก็อยู่ส่วนหนึ่งจิต ท, ที่เป็นคนดูก็อยู่ส่วนหนึ่งกุศลนากุศลก็อยู่ส่วนหนึ่งจิตที่เป็นคนดูก็อยู่ส่วนหนึ่งก็แยกเองคิดนำก่อนก็ไดคิดนำก่อนก็ได้ปฏิก็จะเห็นแต่ว่าไม่ได้ชเอตช่วยมันนิดนึงช่วยมันด้วยการคิดนำได้ แต่อย่าคิดใจเคยตัวไม่งั้นจะคิดลูกเดียวเลยและไม่ดูของจริงใช้ได้เแล้วลองภาวนาดูใช้ได้เนทะ่านั้นเลยต่อไปกลัเรียนถามพระอาจารย์คืคอทุกปฏิบัติธรรมตามแนวของพระอาจารย์นาะสามปีโดยการแนะนําจากผู้ธสิทของพระอาจารย์นะปีแรกก็คือโดยการดูจิต พอฝุกไปฝึกไปไปลายปีประมาณปลายปีนี้เป็นไปวิ่งออกลำาการอยูู่ก็เห็นว่ามันเป็นคนอื่นดีก็ตกใจไม่ไม่ใช่ตัวเองก็ฝึกมาเรื่อยๆไม่ จ, จริงจังอะพรพอปีที่สองมีโอกาสไปฝึกประจำกับพระอาจารย์รย่าเอชิย่าชิญนะแนวแนวการเคลื่อนไหวออะพอเลยฝึกมาเรื่อยๆพอพอทีมี ไปทำงานแต่เช้าอช่วงที่รอไปทํางานก็นั่งอยู่ในรถก็โดยการเคลื่อนไหวมือไปเรื่อยๆมีช่วงหนึ่งก็คือมีคนขับรถเข้ามาเขาทีงจิตของตัวเองวิ่งวิ่งดูคนที่ขับรถเข้ามาเอีนละเกิดประมาณสองสามครั้งแล้วก็ฝึกมาเรื่อยๆพอปีที่สาไม่ได้ไม่ได้ฝึกต่อเนื่องกันเท่าไหร่คั้งนงขับไปทํางานแล้วมีคนขับรถปาดหน้าเขาเหียบเบรคก็ไปเห็นใจที่มัน มี<ใ>ตัวเองแล้วก็มีประมาณการปีปีห้าสี่นะคะคือนอนหลับอยู่ก็มีตื่นขึ้นมาเห็นตัวเองนอนคนอแล้วก็เมื่อวันที่สามสามเดือนนี้นะคะก็กําลังจะหลับปรากฏว่าก็เห็นตัวเองเนะี่ยคือเห็นเป็นคนคนหนึ่งที่ไม่ใช่ตัวเองนอ น, น, ออนัน้หละก็เอาจากการฟังอาจารย์เทศ น, นั้นก็สรุปได้ว่าตัวเองนี้ยังอยู่ในขั้นเจริญสติ จะทำในรูปแบบบ้างนะจะวิธีท <ๆ S 2> ําในรูปแบบอย่างจะขยับมืออะไรก็ได้นะแต่จิตหนีไปเราโลทันไม่ใช่ขยับเพื่อให้จิตนิ่งนะไม่ใช่ขยับเพื่อบังคับจิตจะพุทโธหรือจะหายใจอะไรก็ได้เหมือนกันหมดแล้กรรมาทีนตอนนี้ก็ดีมีคำถามนะถามอาจารย์ว่าคือตอนแรกตอนแรกหนุนฝึกโดยการดูความคิดที่มันรู้สึกมันก้ามในตีแรงขันที่ต่อมาฝึกโดยการเคลื่อนไหวมือเนี่ย ฝึกตัเอนี่จะไม่ไม่ค่อยก้าวหน้าแต่ตอนนี้ฝึกด้ยการเคลื่อนไหวมือนี่จยากเรียนถามอาจารย์ว่าน่าจะไปฝึกด้วความคิดหรือว่าจะอนุการเคลื่อนไหวมือนี้่ที่เราเคลื่อนไหวมือนนะเพื่อจะรู้ทันว่าจิตคิดต่าตงวเพราะฉะนั้นมันฝึกอันเดียวกันนั่นแหละคือฝึกรู้ทันว่าจิตคิดเยงแต่ว่ามันต้องมีเครื่องอยู่ให้จิตไว้ก่อนบางคนอยู่กับพุโทโธนะพุโทโธพุธโทโธจิตนหนีไปคิดแล้วรู้ทัน คนอยู่กับลมหายใจหายใจไปเรื่อยจิตหนีไปคิดเรารู้ทันขยับมือทำจังหวะจิตหนีไปคิดเอารู้ทันมันก็คือการหัดรู้ทันจิตที่ลงไปคิดนั่นแหลนะะเพราะงั้นถ้าฝึกเป็นนะมันจะรู้ทันจิตที่หลงไปคิดเร็วขึ้นเร็วขึ้นต่อไปอยู่ในชีวิตประจํำวันเนี่ยเผลอแวบเดียวก็รู้สึกแล้วล่ะจิตหนีแวบก็รู้สึกแล้วล่ะแต่ถ้าไปนั่งเพ่งทืๆ อ, อ, อ, อย่างนี้นะไม่ได้ฝึกอะไรฝึกตบจุ้ง ที่ตอนนี้พอทราบข่าวรู้จากเร็วว่าพระอาจารย์จะมาที่นก็เลยตั้งใจฝึกนิดนึงก็เลยตอนกลางคืนก็จะฝึกฝึกสมาธิดยการเคลื่อนไหวมือก็คืออารมณ์เป็นหนึ่งใจเป็นหนึ่งใช่ไหมคะแล้วตอนเช้าก็จะฝึกประมาณสามสินาทีก็คือดูแต่พยายามเดินนิพพานคือใจเป็นหนึ่งอารมณ์ก็เป็นเป็นหลายนลาแต่ว่าเอไม่ไม่ทราบว่าใจร้อนหรือเปล่ามันไม่กล้าใจร้อนเนาะ มันจะมาฝึกตอนเตรียมส่งกันบ้านมะสิถ้าฝึกทุกวันสินะทําทุกวันทุกวันแบ่งเวลาไม่เลยทําให้ได้ทุกวันทุกวันมันจะได้ก้าวหน้าเร็วเร็วยิ่งก้าวหน้าเร็วยิ่งทุกน้อยนะเรื่องอะไรต้องทุกมากทุกนานเรามีทางเลือกนะไม่ใช่ชีวิตต้องทุกตลอดไปกราบเรียนถามอาจารย์อีกคําถามหนึ่งอาจารย์ตอบไปแล้วตอนอาจารย์ที่ตรงใจพอดีเลยแล้วก็อีกคาถามสุดท้าย ออยากทราบว่าตอนนี้จิตมีเป็น อ, อย่างไจงจิตรู้อะไรอยู่บ้างติดในรูปเสียงกลิดลด่นรสบทบาทธรรมอารมณ์ติดเท่านั้นแหละเอาให้รู้ทันเท่านั้นแหละจิตเข้าไปติดอารมณ์นะรู้ทันจิตปล่อยจากอารมณ์ออกมารู้ทันนะอย่ากลัวเรื่องติดเลยตราบใดที่ยังไม่ใช่พระรนะอรหันยังติดอยู่ตลอดเลยพระนาคาก็อยากติดนะไม่ใช่ไม่ติดไม่งั้นไม่เกิดหรอก งั้นเรอย่าไปกลัวว่าจะติดอะไรติดอะไรหรือไม่ติดอะไรนี่อยู่ที่ว่าจิตไปยินดียินร้ายในสิ่งนั้นเรารู้ไหมถ้าไม่รู้ทันความยินดียินร้ายในสิ่งนั้ น, น, น, น, น, น, นก็จะไปติดในสิ่งนั้นถ้ารู้ทันก็มไม่ติดหรอกเช่ น, นเรานั่งสมาธินะจิตสงบสบายเรามีราคะเกิดขึ้นเราพอใจในความสุขความสบายนั่นนี่แหละติดสมาธิ แต่ถ้าพอมีความสุขความสบายเกิดขึ้นจิตมีความยินดีพอใจรู้ว่าจิตพอใจแนละราคะดับนะไม่ติดหรอกมีความสุขแบบไม่ติดคนหนึ่งมีความสุขแต่ติดคนหนึ่งมีความสุขแต่ไม่ติดเพราะว่ารู้ทันจิตของตนเองที่มันมีราคานะนั่นเองไปรู้ไปปล่อยนะต่อไปอราพ่อพูดมาละมัศกาศอาจารย์ค ะ, ะฟังซีดีของาอาจารย์มา ประมาเดือนสองปีค่ะดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตค่ะไม่ใช่ซีดีผ้าจารเนาะผ้าจานไม่มีซีดีเลยอินเตอร์เน็ตก็ไม่ใช่ของผ้าจานด้วยจ า, จากจากเว็บพิมพ์ติ่ง <นะ S 1> ก็ตอนแรกฟังไม่ค่อยรูเรื่องยากตอนแรกๆยากนะแต่ก็น่าสนใจค่ะก็ฟังมาเรื่อยๆทีนี้เมื่อประมาณปลายปลายปี2530ัรมิอา สองสองศูนย์หนึ่งศูนสองศูนย์หนึ่งศูนก็เกิดอาการว่ามันนวลนวลค่ะอืมันนวนวลแล้วก็สงสัยว่ามันคืออะไรที่มันนวนวลอยู่แต่ตอนนั้นไม่ไม่ทราบมันมันคืออะไรแล้วก็แต่สงสัยสงสัยมากนะคะแต่ก็ไม่เริ่มรู้สึกหลังคาที่พิดว่ามันทําไมมัน แต่ว่าพอตอนที่มันหายไปเนี่ยไม่ทราบเลยค่ะว่ามันหายไปตอนไหนเหลอไปครับมันหายไม่ทราบอาจจะยุ่งอยู่กับการชีวิตประจำวันก็เหมือนนันนะทําโทรศัพท์มือถือหายหายตอนไหนไม่รู้ถ้ารู้ก็ไม่หายเี่ยถ้าเราเห็นสภาว่าอยู่ต่อหน้าต่อตาเราไม่หลงอยู่นะหายไปตอนไหนเราก็รู้สินี่ถ้าเราเหลอไปที่อื่นน่ะหายเรากขาไม่เห็นธรรมดา ังพูดถูกใจค่ะทำแว่นตาหายมไม่รู้ผลนะคะว่าหายไปตอนไห น, นเออถ้ารู้ไม่หายหรอกแล้วแล้วก็มีอีกอีกครั้งหนึ่งที่เกิดเหตุการณ์ที่คิดว่า อ, อาจจะเป็นสติช่วยรักษาตัวคือว่ามีวันหนึ่งกำลังขี่รถจกรยานก็มีพวกไรุ่นนะคะเขาขับรถขับรถวิ่ ง, ขงเข้ามาเนี่ยแล้วเขาก็มาตะโกนใส่แบบ ดังมากเลยเพื่อที่จะให้เราตกใจกลัวเพลย์ฟอย่างนั้นเองทอนี้เราก็ตกใจมาแป๊บหนึ่งเองแล้วก็หายทันทีเลยค่ะแล้วก็แล้วก็รู้สึกสบายดีแล้วก็ขี่จักรยานต่อไปแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้หวาดกลัวอะไรเลยทีนี้เป็นอย่างนี้เยอะได้อย่างนี้นะฝึกหได้อย่างนี้เยอะแยะรู้สึกดีใจรู้สึกดีใจที่ที่ไม่กลัวภูมิใจด้วยนะ แล้วก็อีกคําถามนึงอยากถามอาจารย์ว่าที่ทําอยู่ทุกวันเนี้ยคือคือพยายามพยายามอยู่เนี่ย อ, อพอจะให้ตัวเองเนี่ยเจอตัวเองได้หรื อ, อยังเพราะว่าห่างไกลครูบาอาจารย์คือเราอยู่ในแนวทางหรือเปลา่าคือเรียนหลักการปฏิบัติให้แม่นนะแล้วเวลาเราภาวนาเนี่ยเราสํารวจตัวเองว่าที่เราปฏิบัติอยู่เนี่ยมันอยู่ในหลักหรือเปล่าหลวงพ่อตอนบวชนะอยู่ไกลครูบาอาจารย์ แต่ว่าใสยว่าเราเรียนหลักมาแม่นอย่างบางคราวภาวนาแลนะจิตว่างสว่างไปหมดเลยแล้วอยู่อย่างนั้นนานแล้วดูดีหรือไม่ดีถูกหรือไม่ถูกว่าอย่างนี้ดูไปดูไปไม่ถูกหรอกเพราะอะไรเพราะมันเที่ยงมันควรจะไม่เที่ยงแต่มันเที่ยงมันควรจะเห็นทุกข์แล้วมันยิ่งสุขขึ้นทุกขจีจิตใจไปเตือนในความสุ ข, ขของความว่างความสงบอย่างนี้เนี่ยถ้าเรารู้หลักของการปฏิบัตินะว่ามันต้องเห็น ความอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาของกายของใจอะไรเงี้ยถ้าไม่เห็นนะแสดงว่าไม่ใช่เนี่ยถ้าหลักแม่นนะแล้วก็าบอกตัวเองได้ตัดสินได้การที่หลักแม่นแล้วมาพิจารณาได้นี้เรียกว่ามีโยนิโสมนสิการถ้าเราขาดกัลยาณมิตรเราอยู่ไกลครูบาอาจารย์นะสิ่งที่ช่วยเราได้ดีที่สุดคือโยนิโสมนสิการดีกว่าเพื่อนนะ เพื่อนเราไปสอบถามถา ม, ถามความเห็นมันมันแนบอุตลุดเลยนอกรูนอ ก, นอกทางบางคนพอนายแย่กว่าเรานะพูดฉอดฉอดดูน่าเชื่อเราไปเชื่อยิ่แก่เลยนั่นสังเกตตัวเองไปขณะเนี้ยจิตเป็นอิสระไหมหรือจิตติดอะไรอยู่ขณะวินาทีนี้เหรอคะคิดว่ามีอะไรแน่นนิดนึงเออตอบถูกนี่แหละหัดรู้ไปสังเกตไหมความแน่นเนี่ยไม่คงที่สังเกตแต่วาเมื่อกี้นั่งดูอยู่ออนั่นแหละ ความรู้สึกอันนี้เนี่ยไม่เคยเกิดมาตั้งแต่มาทําตามแนวทํางทาจารไม่เคยเกิดเลยแต่เคยเกิดตอนสมัยที่นั่งสมาธิเคยเกิดแน่นแบบแน่นมากกว่านี้อันนั้นเพราะว่าเราจงใจอย่างคราวนี้มาเจอหลวงพ่อเขากลัวกลัวไม่ดีกลัวไม่ดีเลยรวบเอาไว้ก็แน่นเก่งเอาไว้แต่ไม่ไม่ไม่ได้ตั้งใจแต่มันเขาเป็นเองเขาเป็นเองเขาเป็นเองนะงั้นธรรมะเนี่ยสอนเราอยู่ตลอดเวลา เน่เข้าสอนไตรลักษณ์เราเองเข้าเป็นเองเเดูอย่างนั้นดีแล้วไปทำต่อนะอยู่ในร่องในรอยไหมครับอยู่สิเห็นไตรลักษณ์ก็อยู่เลยหมดคาถามแค่นี้สำหรับปีนี้ดีจังเลยปีนึงสงสัยทีนึ่งกาบนมัสการพระอาจารย์ค่ะเคยแต่ฟังซีดีของพระอาจารย์ครับเอาละซีดีพระอาจารย์อาจารย์ไม่มีซักแผ่นวันนี้ ดีใจค่ะที่ได้มาเจอผู้อาจารย์ตัวจริงโล้นี่สำนวนแบบคนรุ่นก่อนนะมีวันหนึ่งมีเด็กวัยรุ่นมันมาเจอหลวงพ่ อ, อวันนี้ผมดีใจเจอหลวงพ่อปราโม่ตัวเป็นๆโอ้อะไหล่ของมันวะแล้วมันไปเจอตัวตายๆที่ไหนอาว่าไงไม่เจอตัวจริงๆก็ได้ดูได้ฝึกดวจิตของตัวเองค่ะก็เรีนตั้งความโกรธแล้วก็เวลาที่ม า, ากระทบตัวเอง ความสุขก็เห็นพอเห็นความสุขมันจะมันจะชอบค่มันเป็นเนียนๆมีความสุขเรื่องว่ามีราคะแต่มีความทุกข์มันก็มีโทสะเป็นอย่างนี้ทุกคนเลยแล้วบางทีมันมันจะนิ่งๆบางทีวันทั้งวันก็จะไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นอะไรเพราะเผลอไปหรือว่าเพราะเพ่งไว้นิ่งๆคิดว่าเผลอไปเออถ้าอย่างนั้นสารภาพมาแล้วแล้วมีอยู่วันหนึ่งค่ะพระอาจารย์ตอนที่สวดมนต์คมันจะเห็น ร่างกายขอเองคระปามันโกรกคำนิบอะไรผมมันก็ไม่รู้ออืแล้วทีนี้เราก็ได้ยินเสียงต่างหาแยกไปใช่จะเป็นอย่างเนี้บ่อยมากนั่นแหละนะจิตมันตั้งมั่นเพื่อเป็นผู้รู้ผู้ดูได้แล้วแล้วมันก็เริ่มแยกร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่เนี่ยเรารู้ด้วยความรู้สึกทางร่างกายเนับนับเนี่ยรู้สึกเสียงที่ได้ยินที่ได้ยินด้วยหูเนี่ยกลไลยัตตะนะกัน คนร่กันขอบคุณพระอาจารย์นะคะไปฝึกอีกนะถ้าลองแยกขันได้แล้วก็โอกาสที่จะมีมรรคผลนิพพานในชีวิตนี้ก็ไม่เหลือวิสัยที่จะเป็นไปได้ถ้าแยกขัดได้แล้วดูเลยแต่ละขันมันไม่ใช่เราอะแต่ละขันมันไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาก็ฝึกเจริญสติในชีวิตประจำวันค่ะพระอาจารย์แล้วก็สวดมนต์ไหว้พระทุกวันพยายามไม่ให้ขาดดีใจไหมตอนเนี้ย ตอนนี้ก็ดีใจอยค่ะใจลอยมีความสุขแล้วพลนใช่เรารู้ทันอย่างนี้ดีละขอบคุณค่พระอาจรย์น้ำมัสการโยมก็หัดดูอยู่เรื่อยๆอย่างน้แต่ว่าโยมยังแยกธาตุแยกขันธ์ไม่เป็นแยกธาตุก็ยากนะอย่างผมหนึ่งเส้นแยกดินน้ำไฟลมแยก ลองแยกขันอย่างนี้ง่ายๆนะเห็นร่างกายกใจเป็นคนละอันอันนี้แยกไหม<อ>ร่างกายส่วนหนึ่งจิตใจอยู่อีกส่วนหนึ่งอย่างร่างกายมันถือไมโครโฟนใจเราเป็นคนดูอะไรอย่างเนี้แยกออกไหมพอดูได้ไ <นะ S 2> แต่ว่ามันเหมือนกับคิดเอาคิดเอา ก, ก่อ น, นถ้าเราถ้ามันไม่แยกเองนะช่วยมันคิดก่อนอจิตนี้ไปคิดหรือเปล่าตอนนี้ เออถ้าจิตนี้ไปคิดเนี่ยจิตไม่ตั้งมั่นถ้าจิตไม่ตั้งมั่นขันไม่แยกทําไมขันไม่แยกเพราะเวลาจิตมันไหลไปมันไหลไปรวมเข้ากับขันนั่นแหละถ้ามันรู้ตัวนั้นดีดตัวออกมาขันอยู่ส่วนขันจิตอยู่ส่วนจิตก็ค่อยๆฝึกเพราะงั้นไปฝึกตรงนี้นะรู้ทันเวลาจิตหนีไปคิดฝึกตัวนี้บ่อยๆแล้วทัางไปขันจะแยกบ่อย อ, อ่านต่อไป ผู้สบการณ์อาจารย์นะคะหลายปีก่อนที่พบอาจารย์อาจารย์จะทักว่าเป็นคนที่เผลอบ่อยค่ะจนจนเป็นปฏิบัติธรรมที่สุขโตอ่ะต้องใช้ใช้การเคลื่อนไหวที่มือแล้วก็จะมีบางช่วงที่เหมือนกับเอมานั่งดูตัวเองเคลื่อนไหวอ่ะแต่ช่วงที่เคลื่อนไหวรู้สึกว่าน้ําหนักที่ลงแต่ละจังหวะมันจะเป็นสม่ํามเสมอแล้วก็หนักด้วยอื แล้วหลังจากกลับมาจากสุขกตัวตมาทำงานมันก็จะมีเผอแต่ช่วงที่เผอมันก็มีอาการกอย่างฝาผนังเนี่จะเห็นเป็นคล้ายๆกระแสจิตมันหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนๆ น, น, น, นะคะแต่ตอนแรกๆก็จ้องดูตอนหลงัลงๆก็มองเฉยๆคู่ก็หายไปแต่ว่าเดก็นานๆถึงจะเจอครับไม่จำ<ท>เป็นเลยนะให้รู้ทันกิเลสเราดีกว่าเห็นผนังหมุนนะ เคย ร, รู้ทันกิเลสในใจเราได้อๆอาการอย่างนั้นเป็นอาการที่จิตนั้นทำสมาธิสมาธิมันล้ําไปอย่างเราไปนั่งเพ่งใจสม่ําเสมอใช่ไหมอยู่ในอารมณ์อันเดียวเนี่ยเป็นหลักของสมาธิง้นที่เราขยับอยู่เนี่ยเราทําสมาธะที่ทำสมาถาธิจิตรวมมองทะลุกําแพงอย่างได้เลยไม่ว่าแต่เห็นกําแพงหมุนเลยใคย ร, รู้ทันนะเห็นร่างกายทำงานไป เห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนไปใจเราเป็นคนดูคนละอันกันนะเห็นความสุขความทุกข์ก็จิตใจเป็นคนละอันกันคอยดูเม็นบางครั้ ง, งก็หลุดมาดูตัวเองแต่บ่อยเมือนกดีแต่ว่าก็เลกแวบๆบขึ้องสร้องแล้วก็ดึกลับมาเออ อ, อยากลับมาอีกละให้มันเห็นบ่อ ย, อยๆอะนะถ้ารู้สึกตัวอยู่มันจะเห็นบ่อยๆถ้าเผลอไปไม่เห็นนะ ช่วงที่เผลอนะะจะจะเห็นนจะนนแหล่บ่อยอและ้ว แ, <ร>แต่พอเราไม่ไม่ได้สนใจมักส็สมาธิมันล้ํมไปสติ ม, นนมันอ่อนมีสติให้เยอะขึ้นไม่ไม่เป็นมนสมาธิมันเยอะแล้วจิตตามไหมคะใช่สติตามสติปัญญาตามไหมทน่นสมาธิล้ําไปแม้ในที่ไปนั่งขยับเนี่ยนั่งเพ่งแน่นอนแลต่อไปการนมมสกาน อยากจะให้หลวงพ่อแนะนำไม่เข้าใจคำว่าทำในรูปแบบค่ะแล้วก็สวดมนต์ไม่รู้จะเริ่มสวดอะไรบทที่หนึ่งที่สองหรอสวดอรหังสัมมาได้ไหมได้ค่ะเออเอาบทนั้นก็ได้สวดนโมได้ไหมได้ค่ะออสวดได้ตั้งหลายบทอ่ะได้บทไหนก็สวดบทนั้นแะ บางคนส่วนยาวไม่เป็นนะได้แต่พูดโธพูดโธก็ส่วนมนแล้วนะแต่พูดโธไปเรื่อยๆแล้วที่เขาพูดทําในรูปแบบกันนี่ก็คือเราแบ่งเวลาไว้การปฏิบัตินะั้นมีสองส่วนส่วนหนึ่งก็คือทําในรูปแบบส่วนหนึ่งคือปฏิบัติในชีวิตประจําวันการทําในรูปแบบนะั้นก็คือเราแบ่งเวลาไว้แต่ละวันถึงเวลาเรามาไหว้พระส่วนมนนั่งสมาธิเดินจงกรมนี้ ให้จดจ่ออยู่กับการปฏิบัติลืมงานอื่นซะให้หมดนะถึงเวลาปฏิบัติในชีวิตประจําวันเขาให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปแล้วคอยรู้ทันความเคลื่อนไหวของกายของใจไปนี่ปฏิบัติในชีวิตประจําวันแต่ต้องให้ได้ทั้งสองอย่างการมีวัฒนธรรมการที่เราได้ประกอบรู้แบฝึกแบบสมาธมาก่อนนะแต่ตอนนี้บ้าไป แบบพระอาจารย์นะคะก็เลยเริ่มฝึกพอฝึกฟังมาประมาณได้สามเดือนก็เลยเริ่มฝึกฝึกได้ประมาณแล้วก็ประมาณอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ดูฝึกพอฝึกไปจะเห็นตารับสัมพันธ์จะแวบ ม, มาจะรู้ว่าจับอยู่ที่ตาหัวก็จะไปที่หูวแล้วก็จิตเลื่อนลอยไปก็จะรู้พอฝึกมาได้ประมาณสองอาทิตย์แล้วจิตมันมันเป็นหัวเดียวเป็นแบบดูอะไรเป็นแห ว, แวเป็นหมวดเออนั้นแหละเคยได้ยินคำนี้ไหม เราเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นก็เลยไม่เข้าใจว่าที่ที่หนูฝึกมันถูกต้องไหมคะถูกสิว่าหนูเห็นอะไรนี่เป็นแบบเบื่อไปหมดมันจืดโลกนี่จืดชืดเลยนะนี่ฝืกอย่างนั้นแหละถูกแล้วแต่มันเป็นช่วคราวต่อไปจะเป็นกลางอันนี้ไม่ใช่เป็นกลางมันเสื่อมนกลับไปยุ่งกับโรกใหม่ใช่เขาใช่ดี๋ยวมาหลอกเลยไม่ได้กินกลัวหนูก็เลยแบบ เหมือนจะหยุดไปเฮ้ยอย่าหยุดถ้าเสียดายเหมือนมันจะหยุดมัวว่าเอ๊ะทำไมมันเหมนคืนเบื่อเบื่อทุิงทุกอย่งให้รู้ทันนะรู้ทันความเบื่อเข้าไปอีกทีหนึ่งหนูก็เลยหยุดตอนนี้หนูหยุดหนูก็ได้จะมาเรื่องกับอาจารย์หมายว่าหนูว่าจะมาถามอาจารย์ว่าสำหรับหนูนี้จะเป็นดูกายหรือดูใจไปเลยเราดูอะไรแล้วเบื่อล่ะว่าตอนนั้นหนูดูใจค่ะดูไปเลยดูใจแล้วพอเบื่อนะดูไปที่ความรู้สึกด้วยใจมันเบื่อขึ้นมารู้ทัน ใจไม่ชอบเลยไม่ชอบที่มันเบื่อรู้ว่ามันไม่ชอบมันมีโทสะแทรกแล้วหรือมันกลัวขึ้นมากลัวก็เป็นโทสะนะงั้นพอจิตจะเห็นความเบื่อจิตเกิดกลัวนัคือจิตมีโทสะให้รู้ว่าจิตมีโทสายมันจะเป็นช่วงหนึ่งเท่านั้นเป็นทุกคนแหละต่องเจ อ, อ, เ, เ, อเสียดายนะเอาใ ห, าใหาม่เอาไหม่ถ้าเห็นตามความเป็นจริงนะดูกายดูใจไปได้ตามความเป็นจริงเลยจะเบือ่อ ีะตอนนี้เพ่งไหมเพ่งอ่ะทวกคนตอบไปเพ่งไม่มากแล้วล่ะเพ่งนิดนีดหน่อยๆน่อยไม่เป็นไร <c oughs> หมดแล้วดีถามมากก็เท่านั้นแหะไปพาวนาดีกว่าหลวงพ่อเวลาพาวนานะไปเรียนจากครูบาอาจารย์นะไปถามท่านวิธีปฏิบัติ ครั้งแรกไปถามหลวงปู่ดุลอยากปฏิบัติจะทําไงท่านบอกให้ดูจิตตัวเองถ้าหัดดูจิตตัวเองเรื่อยๆมาหลังจากนั้นเวลาสงสัยอะไรนะจะค้นคว้าเพิจารณาดูเสร็จแล้วก็ไปถามครูบาอาจารย์ว่าที่ปฏิบัติอยู่เนี้ยถูกหรือไม่ถูกถ้าถ้ามันไม่ถูกนะให้ท่านช่วยบอกดนะ้วยช่วยแก้ด้วยถ้าถูกแล้วทํายังไงจะดีแบบนี้ถามอยู่แค่นี้ผมไม่ถามอะไรมากอนะ่ะ มีอะไรเกิดขึ้นนะก็คอยรู้ทันรู้ทันของเราด้วยพ้นฟ้าเพียหนาวช่วยตัวเองให้เยอะเลยประเภทสงสัยปุ๊บถามปั๊บสงสัยปุ๊บถามปั๊บไม่ใช่ช่วยตัวเองนะไม่แตกฉานหรอกเหมือนมีโจทย์เลขเอ้อาก็ให้อาจารย์เฉลยกันบ้านให้นะไม่เก่งดูของจริงของเราไปเผชิญกับมันดูดูซิเราจะถูกกิเลสหลอกไหมอ่ะหมดละละเช่ มีอะไรอีกนั่นอาวับผ่ยถาวาริวะุราปริเรนติสัรังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังปกปติอิจิตังิตังุมหังคิดเเมวะสมิดตุสัพเพเรนตสังกะปาจันโทพนรโสยถามโชติรโสยถา สพีติโยวิวัชันตูสภพโรคโควินัสตูมาเตะวัตมันตรายโยสุขีที่คาโยโกภะวะอภิวาทนาศีลิสนิจังุทาปจา ย, ยโนจัตตารโรธรรมาวัันตีอายุวันโนสุขังพระลัง mm hmm. หลวงพ่อว่าจะให้ปัจจัยโรงบานะโรงบานไม่ถวายหลวงพ่อแต่ถวายสงฆ์ทำไงถ้าจะแอุปโลก ยกให้ลงพาบาลาใไมคกับ <als>